ปัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะที่พระพุะาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นหลักการสำคัญจริงๆอยู่ในส่วนของพระประยติสัทธรรมคือ เ, เรื่องที่จะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในธรรมะเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรมีฐานะมีคุณมีโทษอย่างไรและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของธรรมะเหล่านั้นซึ่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วกลุ่มธรรมะทั้งมวลซึ่งสงสดงไว้ทั้งหมดนั้นก็นสรุปรวมเป็นหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการกลุ่มหนึ่งเมื่อบุคคลรู้ความเข้าใจ ความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วปรับใจยอมรับความจริงและใช้ประโยชน์จากความจริงเหล่านั้นให้ได้ความดีงามก็จะเกิดขึ้นจากการกระทาเช่นนี้กลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องของโทษได้แก่บาปอกุศลทุจริตต่างๆพอทรสงสอนให้กาหนดพิจารณาเห็นโทษขอ ง, ส, งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เพียรพยายามละบันเทารงงับดับไปตามกำลังความสามารถของตน ผลคือความดีงามก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำเช่นนี้ส่วนที่สามอันที่จริงเป็นเป้าหมายก็คือลักษณะของปฏิเวตศัสต ร, ร์ธรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นแต่เป็นการตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาที่จะดาเนินไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น ทรงเรียกธรรมะกลุ่มนี้ว่าบุคคลควรทําให้แจ้งเมื่อทําให้แจ้งได้แล้วก็จะเกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนตามสมควรแก่ฐานะเดล่านั้นกลุ่มที่สซึ่งเราเรียกว่ามักกะสัต์นั้นได้แก่กลุ่มธรรมะปฏิบัติทั้งหลายที่เมื่อบุคคลมอง เ, อเห็นคุณค่าความดีของธรรมะเหล่านั้นแล้วก็น้อมนําไป ป, ปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นตามสัดส่วน แต่งเหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปแต่ในการปฏิบัติธรรมะทั้ง4กลุ่มนั้นบุคคลสามารถจะได้ประโยชน์ทุกจุดของการประพฤติปฏิบัติยานในกรณีคำถามของกระปะมานพที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นทั้งการมองเห็นโทษที่อยากจะหลีกหนีให้ห่างไกลออกไปก็4ประการด้วยกัน ประการแรกก็คือสัตว์ทั้งหลายนั้นต้องท่องเที่ยวหมุนปนอยู่ในสังสารวัตรประการที่สองถูกพ่วงน้ําใหญ่เข้าครอบงำประการที่สถูกถูกภัยใหญ่คุกคามรอบด้านประการที่สี่ถูกแวดล้อมด้วยชราปรยาธิและมรณะคือความแก่ความเจ็บและความตายข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะ ก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเป็นการมองโลกในแง่ของทุกขสั์และในแง่ของสมุทัยสัตเพราะว่าที่จริงสังสารวัตรก็ดีภัยใหญ่ทั้งหลายก็ดีตลอดถึงการถูกค้อมล้อมด้วยชาติจารามรณะเป็นต้นก็ดีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงกันหากว่าไม่มีสังสารวัตร ไปคือชาติชราปรยาธิและมรณะก็ไม่มีเมื่อาชาติคือความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นก็ไม่มีติดตามมาสิ่งทั้งสามกลุ่มนี้แม้จะจัดแยกออกเป็นสามกลุ่มแต่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุใหญ่คือพ่วงน้ำที่ท่วมทับใจสัตว์โลกอยู่พวกน้ำในที่นี้ท่านก็นเน้นไปที่กลุ่มของกิเลส สีประเภทใหญ่ด้วยกันคือการความใคร่ความปรารถนาความพอใจยินดีพบความมีความเป็นต่างๆทิฏฐิความถือรั้นความเห็นผิดต่างๆและวิชาความมืดบอดในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของสมุทัยสัตว์อีก3มกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มของทุกข์สัตว์ เป็นการถามปัญหาเพื่อมุ่งจะแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลแต่ลักษณะาการแก้ความทุกข์นั้นถึงสังเกตว่าบางครั้งในกรณีต้องการบรรเทาเราก็แก้ที่ผลไม่ได้แก้ที่เหตุยกตัวอย่างเช่นปวดศีรษะมาแต่ที่จะศึกษาสืบสวนค้นคว้าไปถึงสมุดฐานจริงๆของการปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยต่างๆเราก็ยามาทาในส่วนที่ปวดเมื่อยแ่านั้น ซึ่งที่จริงอาการเหล่านั้นเป็นเพียงผลเท่านั้นแต่ก็สามารถบรรเทาความเจ็บปวด ร, วดรุนแรงลงได้ในระยะหนึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องของชีวิตก็มีลักษณะอย่างนั้นการแก้ที่แท้จริงนั้นจะต้องแก้ที่เหตุแต่บางครั้งเมื่อต้องการจะบรรเทาก็บรรเทาที่ส่วนผลเอาไว้ก่อนแล้วค่อยสืบสาวไปแก้ในเหตุแก้เหตุในตอนหลังประการที่ควรจะศึกษาในตอนแรกก็คือเรื่อง ของสังสารวัฏท่านใช้คำว่าสงสารสาครนแต่พ่วงน้ําคือการท่องเที่ยวไปหรือการไหลไปของชีวิตหมายถึงการจุติการอุบัติคือการเกิดการตายของบุคคลเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายในลักษณะเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตของบุคคล ในเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ได้ทรงชี้ในสังสารวัฏช่วงยาวเพียงอย่างเดียวเจนว่าตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรก็ตามนั้นก็เป็นการแสดงไว้ช่วงหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงไว้ในช่วงต่างๆเป็นอันมากซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการเกิดการเป็นการดับไปของแต่ละจุดนั้นให้ผู้ปฏิบัติพยายามทำใจของตน ถึงถือว่าเป็นตัวการสำคัญของชีวิตให้ประกอบด้วยกุศลให้มากที่สุดแล้วประโยชน์เกื้อกูลก็จะเกิดขึ้นในแต่ละจุดของความเป็นเหล่านั้นในจุดที่ลักษณะเป็นความเกิดดับที่ยิบถึงบางครั้งบุคคลก็กำหนดไม่ได้นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะซึ่งเมื่อบุคคลได้ใช้ความสงบหรือกาลังของสมาธิเป็นฐานใจ ใช้สติระลึกรู้ถึงอาการเปลี่ยนแปลงของจิตก็จะพบว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะคิดเป็นอย่างนั้นคิดเป็นอย่างโน้นคิดเป็นอย่างนี้นนานตามแต่แรงปรารถนาของจิตบางครั้งก็ต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากการเหนียวนึกของจิตเองคืออาศัยอารมณ์ในอดีตเข้ามาเหนียวนึกถึงอาจจะไขว้คว้าอนาคต อาจจะปรารถนาเรื่องราวต่างๆที no ่ตนพอใจในอดีตก็ได้แต่บางครั้งก็ปรารถนาความเป็นในขณะนั้นๆทวยเจ้าทรงแสดงว่าบางครั้งก็เป็นราชาบางครั้งก็เป็นเทวดาบางครั้งก็เป็นพรหมบางครั้งก็เป็นพรหมบางครั้งก็เป็นพระอรหันต์บางครั้งก็เป็นพระเอกนางเอกแต่ลักษณะการไขว้เหล่านี้เป็นสังเกตว่าใจจะปรารถนาความเป็นที่ตนพอใจ ฉันยกตัวอย่างว่าไปดูหนังดูละครเกิดประทับใจพอใจในอะไรใจก็อยากเป็นเหล่านั้นและความอยากเป็นนั้นก็แล่นไปเรื่อยๆตามอารมณ์ที่ใจปรารถนาไม่ได้เกาะอยู่ในส่วนใด ส, ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเวลาเกิดประทับใจในบุคคลในอารมณ์เหล่าใดเราหนึ่งขึ้นมาจิตก็จะวิ่งแล้วก็ปรารถนาความเป็นเช่นนั้นบ้างคือต้องการให้ตนเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นๆน น, นี้ถือนี้ถือว่าเป็นความเป็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะจิต ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะจิตก็คือการเกิดดับในแต่ละขณะของจิตนั่นเองพระเจ้าทรงสอนเรื่องนี้ให้บุคคลมีสติระลึกรู้กระบวนการของจิตเรียกว่าสลาดในกระบวนการของจิตไม่ได้ปล่อยให้จิตตกไปในอารมณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะในชั้นของการปฏิบัตินั้นถึงสังเกตว่าแม้ในชั้นศีลเองฉะนะบุคคลสมาทานศีลข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองไปก็ตาม ในชั้นของศีลถ้าไม่ถึงกับผิดศีลจริงๆก็ไม่มีปัญหาแต่ในชั้นของการรู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะต้องการจะแก้ปัญหาของจิตใจนั้นแป้เจตนาอยากจะฆ่าคนอยากจะฆ่าสัตว์ความคิดต้องการจะลักจะขโมยจะได้สิ่งของเหล่านั้นความคิดที่จะละเมิดในทางคู่ครองประเวณีของบุคคลอื่นความคิดที่จะหลอกลวง จะโกหกบุคคลอื่นเป็นต้นก็ถือว่าเป็นอกุศลทุจริตในขณะนั้นจิตตกไปสู่ครองของอกุศลผู้ปฏิบัติจะต้องดึงจิตของตนกลับมาจากอารมณ์เหล่านั้นแต่มาพิจารณาว่าความคิดเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรสำหรับเราผู้มีฐานะอย่างนี้ปัจจัยที่จะกระตุ้นมานั้นอาจจะอาศัยปัจจัยหลายอย่างอาศัยฐานะของตนในขณะนั้นนั้นอาศัยชาติส ก, กุล อาศัยการศึกษาอาศัยวัยอาศัยฮิริโอตปะซึ่งมีกำลังมากพอที่เกิดขึ้นคุ้มครองใจเห็นว่าความคิดเหล่านี้น่าตำหนิแม้คนอื่นจะไม่รู้แต่เราก็รู้ความคิดเหล่านั้นความข้ามใจเอาไว้ไม่ให้คิดโดยบางครั้งก็ถือว่าความคิดในลักษณะนี้แม้คนอื่นเขาไม่รู้เรารู้พระริจ้าทั้งหลายท่านรู้เป็นความคิดที่น่าละอายต่อพระริจ้าทั้งหลาย การเท่าความคิดเหล่านั้นไม่คิดในลักษณะเช่นนั้นโดยบางครั้งก็อาจจะมองเห็นโทษที่จะเกิดสืบเนื่องจากความคิดในลักษณะเช่นนั้นว่าตนอาจจะประสบความเดือดร้อนเพราะการกระทาไปตามความคิดเหล่านั้นหรือจะกลัวต่อภัยในอบายเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนสนับสนุนให้บุคคลควบคุมความคิดในแต่ละขณะ ดังกรณีก็เป็นไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตของตนในแต่ละขณะจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะเป็นต้นซึ่งหมายความว่ารู้จิตในแต่ละขณะว่าในขณะนี้จิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลนั่นเองถ้าจิตเป็นกุศลก็พยายามประคับประคองรักษาไว้ให้ดำรงอยู่ได้นานที่สุด แต่จิตเป็นอกุศลก็มองเห็นโทษเห็นภยัยของความคิดเหล่านั้นแล้วก็เปลี่ยนพยายามบรเทาลดละลงไปตามลาดับดั ง, ดงนั้นช่วงเหล่านี้ช่วงความเกิดดับของจิตในลักษณะนี้ที่จริงก็เป็นการจุติการดุบัด ต, ตามสำนวนของสังสารวัตแต่ก็เป็นช่วงสั้นนั่นเอง ต้องอาศัยกาลังของสติสัมปชัญญะเป็นตัวระลึกรู้ที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของของตนเองได้ทันท่นทวงทีในแต่ละขณะเป็นการที่การปฏิบัติที่ประณีตลึกซึ้งในระดับของสมถกรรมฐานในช่วงที่สองเพิ่สังเกตว่าเป็นความเป็นที่ถูกมอบหมายหรือไปกระทำในแต่ละขณะนี่ก็เป็นความเกิดดับอย่างหนึ่ง และตัวอย่างเช่นท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในฐานะตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันก็มาจากส่วนต่างๆและในที่สุดก็มาเกิดเป็นผู้ฟังในขณะนี้ในช่วงของเป็นผู้ฟังนั้นก็ดำรงอยู่ไม่ได้นานในที่สุดก็จะต้องทำกิจการงานเหล่าอื่นต่อไปจะทำยังไงในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นผู้ฟังกับช่วงที่ทำหน้าที่เป็นผู้พูดนั้นจะพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดี ึงแน่นอนเลืเกินทั้งสองฝ่ายก็ต้องอาศัยจิตที่ปรุงด้วยกุศลและธรรมเป็นตัวกำหนดบทบาทของตนในขณะนั้นๆเช่ น, นในกรณีของการฟังพระพุทธเจา้าทรงใช้คาว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังอย่างไรเรียกว่าฟังด้วยดีทรงแสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเข้าไปหาผู้แสดงเมื่อเข้าไปหาก็นั่งกลายเมื่อนั่งกลายฟังธรรม ฟังในขณะที่ฟังอยู่ก็เงี่ยหูลงฟังคํานั้นกําหนดข้อความของธรรมนั้นพิจารณาข้อความของธรรมนั้นความเป็นในลักษณะนี้แสดงว่าจิตใจก็แล่นไปในครองของกุศลอยู่ตลอดไม่ว่าแวกซัดสายไปในอารมณ์เราอื่นจะทําให้เกิดความส ง, งบความรู้ไปสมาธิเพิ่มพูนขึ้นในแต่ละขณะนั้นขณะนั้นใจก็ประกอบด้วยกุศลแลธรรมเป็นเครื่องปรุง ทำให้เกิดสุขความสุขความส ง, งบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนิสงส์ <c oughs> ของการฟังธรรมไว้ว่าฟัางธรรมเอาไว้ในข้อสุดท้ายว่าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสซึ่งหมายความว่าถ้าปฏิบัติตนได้ตามนั้นจริงๆอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นจิตก็ผ่องใสประจิตของบุคคลรับอารมณ์อย่างเดียวได้ในขณะเดียวในขณะนั้นเมื่อจิตกำหนดระลึกอยู่ที่กระแสของธรรม ความสงบก็บังเกิดขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อจิตก็ไม่สามารถที่จะแทรกซ้อนเข้ามาได้ในกรณีของผู้ที่ถูกกำหนดให้แสดงธรรมะหรือให้สอนธรรมะในขณะนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ทรงแสดงหลักของการปฏิบัติที่จะจิตของผู้แสดงลั่นไปในกระแสของธรรม โดยทรงกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติเรียกว่าองค์ของผู้แสดงธรรมหรือผู้สอนซึ่งวันที่จริงก็ใครจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนสิทธิ์เป็นพ่อแม่สั่งสอนลูกหรือเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งสอนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องอาศัยคุณลักษณะเหล่านี้นั่นคือแสดงเรื่องราวเหล่านั้นไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความ การแสดงได้ในลนักษณะนี้ก็ต้องอาศัยสติสมัมปชัญญะที่แนบแน่นอยู่กับเรื่องราวซึ่งตนนํามาแสดงในขณะนั้นๆพยายามอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของสติที่จะเนีร ล, ลึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลาย <c oughs> ที่จะนํามาพูดนํามาแสดงในขณะนั้นนั้นก็ต้องสูงขึ้นปัญญาความรอบรู้ที่จะใช้ให้ทันเหตุทางการก็ต้องเพิ่มขึ้น ในด้านของจิตใจก็ทรงสอนว่าตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นจิตต้องสงบมีความ บ, บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นภายในใจระดับหนึ่งจึงสามารถแสดงธรรมะไปได้ไม่แสดงธรรมเพราะมุ่งผลประโยชน์ไม่สอนเพราะมุ่งผลประโยชน์หมายความว่าแม้ความโลภจะมีอยู่ภายในใจแต่ในขณะที่ผู้ที่แสดงความโลภก็ต้องลดละลงไป และไม่แสดงทำกระทบตนและผู้อื่นถึงก็หมายวา่าจากคุณสมบัติทั้งห้าประการที่กล่าวมาก็ดีที่กล่าวมาของผู้แสดงก็ดีละจากคุณธรรมของผู้ที่ฟังธรรมะในขณะ น, น, นั้นก็ดีแต่ละคนนั้นได้สัมผัสพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามข้อคือสัมผัสพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณด้วยการทั้งสองฝ่าย แต่ใครจะควบคุมใจให้อยู่ในพระคุณของพุทธเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลเหล่านั้นนั่นเองความเกิดดับในขณะนี้หรือความเป็นในในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะที่สั้นถูกกาหนดเอาไว้ด้วยการเวลาอาจจะสามสิบนาทีชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแต่สรุปว่าเป็นไม่นานในตําแหน่งเราอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้น คือบุคคลได้รับมอบหมายให้เป็นอะไรก็แสดงว่าในขณะนั้นตนเกิดเป็นอย่างนั้นพอเลิกงานนั้นก็แสดงว่าดับซึ่งหมายความว่าเกิดตายในช่วงนั้นเกิดอยู่ในตําแหน่งเหล่านั้นแล้วก็ทํางานในตําแหน่งเหล่านั้นเมื่อเลิกงานเหล่านั้นก็ถือว่าตายจากช่วงนั้นเป็นอาการเกิดดับในช่วงที่ยาวขึ้นกว่าการดับการเกิดดับของขณะจิตในตอนแรกแต่ในแต่ละจุดนั้นก็ทรงเน้นไปที่การเพิ่มภูนธรรมะให้สูงขึ้น ตามบทบาทที่ถูกกําหนดให้เกิดให้เป็นและจะต้องดับไปในช่วงไม่นานนักนั่นเองประการต่อไปก็เป็นความเป็นในช่วงที่ยาวขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเช่นการเป็นสามีพัญญากันการได้รับบรรจุมอบหมายในตำแหน่งหน้าที่ราชการการงานยันใดยังหนึง่งการเป็นเหล่านั้นก็เป็นกันยาวอพอสมควร บค น, นอาจจะเป็นตั้งยี่สิบปีสามสิบปีหรือสี่สิบปีในช่วงความเป็นอย่างนั้นก็สรงเน้นเช่นเดียวกันใครจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ให้พยายามเป็นให้ดีตัวแปรสำคัญจึงอยู่ที่จิตซึ่งเกิดดับในแต่ละขณะที่กล่าวมาในตอนต้นนั่นเองพอแต่จิตเกิดดับในแต่ละขณะแล่นไปสู่ครองของกุศลพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาของบุคคลผู้นั้น อยู่ในครองของกุศลกรรมบทก็คือทางของความดีทั้งหลายได้แล้วความเป็นของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้คือประสบการณ์สูงขึ้นทั้งในด้านความสามารถฝีมือที่จะแสดงที่จะกระทางานปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นได้สูงขึ้นยศชั้นตาแหน่งต่าง ที่ปรารถนาต้องการกันก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมากรณี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็อาจจะมองอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของยศได้แก่ความเป็นใหญ่ที่มุ่งมา่ปรารถนากันยศในทางโลกที่ยอมรับนักถือกันนั่นก็มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือเรื่องของอิศยยศด้แก่ความเป็นใหญ่ในฐานะหน้าที่ตำแหน่งซึ่งมีการสมมติแต่งตั้งกันขึ้น ตามกติกากฎหมายที่กําหนดกันขึ้นไว้พคนเป็นอย่างนั้นมีหน้าที่ภารกิจอย่างนั้นมีความยิ่งใหญ่อย่างนั้นมีอํานาจสั่งการปฏิบัติการเช่นนั้นต่างๆเป็นต้นประการที่สองคือบริวารยศได้แก่การมีพักพวกบริวารลูกน้องผู้ใต้บงังคับบัญชาเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้างประการที่สามคือเกียรติยศได้แก่คุณธรรมความดีที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออก ทางกายทางวาจาโดยใายพื้นฐานทางใจที่กล่าวแล้วในตอนตอน้นสำเร็จออกมาได้ในทางที่เป็นสุดจริตทางกายทางวาจาจากการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญคือทำให้การเกิดการดำรงอยู่และการแตกดับไปของบุคคลเหล่านั้นรักษาสามารถรักษากุศลแลธรรมเอาไว้ได้ เป็นการเป็นหรือการเกิดมาในฐานะตำแหน่งเหล่านั้นอย่างดีดำรงอยู่อย่างดีและแตกดับไปอย่างดีอิสยยศก็จะเกิดขึ้นมาในทางที่ชอบธรรมบริวารยศก็จะมีความเคารพนับถืออย่างจริงใจต่อบุคคลผู้นั้นซึ่งหนกรณ น, นนี้ก็สามารถสังเกตได้เทียบเคียงได้แล้วก็ดูได้จากทุกคนทุกแห่ง วาบริวารยศนั้นบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นแก่คนชั่วคนเลวก็ได้อิสยศก็อาจจะเกิดขึ้นแก่คนชั่วคนเลวก็ได้พอๆก็จะเกิดขึ้นแก่คนดีแต่ว่าเกียรติยศนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำความดีเท่านั้นจะไม่เกิดขึ้นจากการกระทำความชั่วเลยเ mm hmm. นื่องจากพระพุทธศาสนาแสดงธรรมะที่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน อยางสัมนวนที่พูดเป็นภาษาธรรมะสั้นๆว่าอิทัพปจิยตาคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีจะมีไปโดยลาดับหมายความว่าเมื่อความดีมีเกียรติยศก็มีเมื่อเกียรติยศมีบริวารยศก็มีเมื่อบริวารยศมีอิสยศก็มีตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ความดีซึ่งสร้างเกียรติยศของบุคคลนั้นและบริวารที่เคารพนับถือ เกียริยศของท่านผู้นั้นที่มีความดีเป็นพื้นฐานก็จะเป็นการเคารพนับถืออย่างมีความพักดีคือนับถืออย่างจริงใจอิสริยที่ได้มาก็เป็นอิสริยที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมไม่ต้องหวาดกลัวหรือระแวงว่าจะมีภัยอันตรายจะมีคนมาแย่งชิงหรือจะมีคนมาทําลายแต่ประการใดนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นในช่วงที่ยาวตามระยะกําหนดของหน้าที่ตําแหน่งเหล่านั้น จนกว่าจ ะ, กะเกษียณออกไปอีกอย่างหนึ่งเป็นการเกิดการดับที่ถาวรตลอดพบหนึ่งชาติหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าการเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดได้แก่ความเป็นพ่อแม่ลูกกันตลอดถึงความเป็นพี่ป้าน้าอาวงวานว่านเครือทั้งหลายนั้นเ็นได้ว่ามันติดมาแต่กำเนิด คนเราเกิดออกมาจากคันมารตามีความเกี่ยวข้องที่ถูกกาหนดไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนต่างๆโดยการเป็นลูกของพ่อแม่โดยการเป็นน้องของพี่ๆโดยการเป็นหลานของปู่ย่าตายายหลวงปา้านาอาเป็นต้นนี่ถือว่าเป็นความเป็นในช่วงยาวสำหรับภบชาตินั้นๆ การเป็นเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเอาธรรมะเข้าไปสอนไว้ในแต่ละจุดของความเป็นเพื่อบุคคลเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นญาติพี่น้องที่ดีหรือปู่ย่าตายายที่ดีทุกจุดนั้นให้พบกันที่ความดีและการในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนธรรมะเข้าไปที่ธรรมชาติธรรมดา สิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วก็มีอยู่เป็นอยู่ก่อนการอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจา้าแต่เพราะขาดแคลนธรรมะหรือเพราะความบกพร่องในธรรมะหรือเพราะความไม่สมบูรณ์ของธรรมะปัญหาของความเป็นในแต่ละจุดจึงเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งหมดพระเจ้าก็ทรงแสดงให้มองสิ่งเหล่านั้นในฐานะความเป็นเหล่านั้นที่จริงก็คือเกิดดับเหมือนกันหรือเกิดตายเหมือนกันฉะนนว่าการ เป็นสามีพันยานั้นก็ถือว่าเกิดแต่พอแยกกันก็ถือว่าตายซึ่งอาจจะแยกกันสองอย่างเคยแยกกันโดยกยารหย่าร้างกันหรือเลิกแล้วต่อกันหรืออาจจะตายจากกันไปแต่หมายความว่าในช่วงที่เป็นอยู่ในช่วงที่ดํารงชีวิตอยู่นั้นก็พยายามปฏิบัติธรรมในระหว่างกันเลยกันให้มีจุดนัดพบกันที่ธรรมะความบกพร่องต่างๆนั้นก็อาจจะมีแต่เมื่ออาศัยธรรมะ นำมาขัดเกลวพ์พฤติกรรมสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปโดยดำดับแล้วความดีงามก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่เป็นเล็งผลเลิศว่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปความเปลี่ยนแปลงของแต่ละอย่างแต่ละสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของสิ่งนั้นกับปัจจัยประกอบความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้น เป็นความเปลี่ยนแปลงของคนจากคนธรรมดาสามัญขึ้นไปเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถมีฝีมือมีผลงานดีเด่นนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบเป็นนั้นมากแต่พื้นฐานในด้านจิตใจนั้นถือว่าเป็นตัวหลักที่พระพุทมีพระภาคตร์ยาทรงเน้นในส่วนของอินทรียอินทรียนั้นถ้ามองในจำนวนภาษาการศึกษาปัจจุบันก็คือความพร้อมของบุคคลเหล่านั้น หมายวามว่าถ้าใครมีอินทรีย์แก่กล้ามากพอความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นแต่ถ้าอินทรีย์ยังอ่อนหรือพื้นฐานหรือเชื้อที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเหล่านั้นยังอ่อนก็จะเป็นจะต้องเพิ่มพูมให้สูงขึ้นอาศัยการเวลาสายปัจจัยข้างนอกเข้ามาประกอบกันและในที่สุดความเปลี่ยนแปลงในทางดีงามก็จะค่อยๆเกิดขึ้น ซึ่งถ้าบุคคลมองในแง่ของธรรมชาติธรรมดาแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนกับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนั่นเองพืชบางชนิดโตเร็วบางชนิดโตช้าแต่การจะโตเร็วโตวช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชกับองค์ประกอบของพืชชนิดของพืชก็คือตัวเชื้อของพืชนั่นเององค์งประกอบของพืชเช่นดินเช่นปุ๋ยเช่นอากาศ การดูแลเอาใจใส่ของบุคคลที่เป็นเจ้าของพืชเหล่านั้นเป็นต้นนี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกความเจริญเติบโตของพืชอาศัยองค์ประกอบสองฝ่ายชั้นใดความเจริญเติบโตในด้านจิตใจหรือพัฒนาการในด้านจิตของบุคคลก็อาศัยองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกเช่นเดียวกันฉะนนั้นเพราะด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ค่อยๆเพิ่มธรรมะขึ้นในแต่ละจุด ในช่วงยาวคือความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายต้องการอะกั น, ก น, กนพระเจ้าก็ทรงสอนเน้นธรรมะเข้าไปในแต่ละจุดให้บุคคลปฏิบัติธรรมสมควรแก่ฐานะของตนบางครั้งก็สมควรแก่ธรรมะบางครั้งก็สมควรแก่กาลละบางครั้งก็สมควรแก่เหตุแก่ผลซึ่งก็หมายความว่าไม่ได้ใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ ในช่วงใดควรใช้ธรรมะอะไรก็ใช้ธรรมะเหล่านั้นอย่างในการปกครองบังคับบัญชาก็ไม่ได้ใช้ความรักความอุต์อย่างเดียวแต่เมื่อมีความผิดก็ต้องมีการตำหนิมีการลงโทษมีการตักเตือนว่ากล่าวเมื่อมีการทำความดีก็มีการยกย่องให้รางวัลให้กาลังใจแต่ละอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขในการช่วยการสนับสนุสนส่นงเสริมกา ร, รปฏิบัติ นั่น ส, ส, สังสารวัตในลักษณะดังที่กล่าววันนี้เมื่อนำธรรมะเข้าไปประกอบทุกจุดทั้งช่วงสั้นคือเกิดดับในแต่ละขณะและช่วงที่เกิดดับในช่วงที่ใช้การเวลามากยิ่งขึ้นจนถึงช่วงยาวคือจากเกิดถึงตายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พบชาติของบุคคลเหล่านั้นประนีตขึ้นไปโดยอาศัยการประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรมของบุคคลเหล่านั้นในแต่ละจุดที่ตนเป็นอยู่ในขณะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป